ประมาด้วยนกบินดูฝั่งเมื่อเธอถามอย่างนี้เราได้ตอบว่าภิกษุเรื่องเคยมีมาแล้วพวกพ่อค้าเดินเรือทะเลนํานกตีรทัศนสีลงเรือไปเมื่อมองไม่เห็นฝั่งพวกเขาจึงปล่อยนกตีรทัศสีไปนกนั้นบินไปยังทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเฉียงถ้ามันยังแลเห็นชายฝั่งรอบๆก็จะบินเลยไป ถ้ามันแลไม่เห็นฝั่งโดยรอบก็จะบินกลับมาที่เรือ น, นั้นอีกภิกษุเธอก็เช่นกันเที่ยวเสาะหาไปจนถึงพรหมโลกก็ยังไม่ได้คำตอบของปัญหานี้ในที่สุดต้องกลับมาหาเราปัญหานี้เธอไม่ควรถามว่ามหาภูตรูปสี่คือปทวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุย่อมดับสนิทที่ไหนหนอแลแต่ควรถามอย่างนี้ว่า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 ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีที่สุดแต่มีท่าข้ามโดยรอบด้านอุปาทายรูปที่ยาวและสั้นละเอียดและหยาบงามและไม่งามก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในวิญญาณนี้เช่นเดียวกันนามและรูปย่อมดับสนิทในวิญญาณนี้เช่นเดียวกันเพราะวิญญาณดับไปนามและรูปนั้นก็ย่อมดับสนิทในที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วบุตรข้าบรีชื่อเกวตัตตมีใจยินดีชื่นชมพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแลเกวัตะสูตรที่11อจบ โลหิตจสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโลหิตจะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิสุสง์หมู่ใหญ่ประมาณห้ารอยรูปเสด็จถึงหมู่บ้านสาละวัติกาสมัยนั้นโลหิตจพราหม์ปกครองหมู่บ้านสาละวัติกาซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมาย มีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำยาอุดมสมบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าเะเสนทิโคสนพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรมไทยส่วนพิเศษสมัยนั้นโลหิตพราหม์มีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคาสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจําเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจําใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคําสอนใดจะช่วยผู้สอนได้โลกิตเจพราหมณ์ได้ฟังข่าวว่าพระสมณะโคโดมเป็นศักยะบุตรเสด็จพนัวจากศักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว่งโคศนพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูป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 การได้พบพระอาหารหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงทีนั้นโลหิตพราหมเรียกช่างกระบบกชื่อโรสิกะมาสั่งว่ามานี่แน่เพื่อนโรสิกะแท่านจงไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมแล้วทูลถามพระสมณะโคดมถึงสุขภาพความมีโรคาพาดน้อยกระปรี้กระเป่ามีพระพารณมัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคาของเราว่า โลหิจพรามทูลถามท่านพระโคดมถึงสุขภาพความมีโรคาภาษน้อยกระปรี้กระเปา่ามีพระพารณมัยสมบูรณ์อยู่สาราญและท่านจงกราบทูลว่าขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพระตาหารของโลหิจพรามในวันพรุ่งนี้เถิดโรชิกะกระรบกรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทั้งที่ประทับกราบแล้วนั่งณที่สมควร กราบทูลว่าโลหิจพรามทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงสุขภาพความมีโรคาภาษน้อยกระปรี้กระเปล่ามีพระพรานมัยสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพัตหารของโลหิจพรามในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษณีทีนั้น โรสิกะกลระบกทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกราบพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเข้าไปหาโลหิจพราหมณ์แล้วบอกว่าข้าพเจ้าได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคตามคำของท่านว่าโลหิจพราหมณ์ทูลถามพระผู้มีพระภาคละถึงในวันพรุ่งนี้เถิดและพระผู้มีพระภาคนั้นก็ทรงรับนิมนต์แล้ว ครั้นล่วงราตรีนั้นโลหิจพรามได้จัดของขบฉันอย่างดีไว้ในนิเวศของตนเรียบร้อยแล้วเรียกโรชิกะกาละบกมาสั่งว่ามานี่เนี่ยเพื่อนโรชิกะท่านจงเข้าไปเฝ้าพระสมณาโคดมแล้วกราบทูลพัตการว่าท่านพระโคดมได้เวลาแล้วพัตหารเสร็จแล้วโรชิกะกาละบกรับคำของโลหิจพราม แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบแล้วยืนอยู่ณที่สมควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เวลาแล้วพัฒหารเสร็จแล้วตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านสาละวติกาพร้อมด้วยภิกษุสงโรสิกะกระบกตามเสด็จไปเบื้องพระปริสดางกราบทูลว่า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 เพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรยทรงปลดเปลื้องโลหิจพราหมณ์ออกจากความคิดเห็นอันชั่วร้ายนั้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโรสิกะนั่นเป็นหน้าที่ของเราทีนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังนิเวศของโลหิตพราหมณ์แล้ว ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้โลหิจพรามประเคนของขบฉันอย่างดีแด่ภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยตนเองจนอิ่มน้ำความข้นขวายของโลหิจพราม เมื่อพระผู้มีพระภาคสวยเสร็จทรงวางพระหัตต์โลหิตจพรามจึงนั่งนั่ที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ํากว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามโลหิตจพรามว่าโลหิตจะทราบว่าท่านมีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคําสอนใดจะช่วยผู้สอนได้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 ท่านปกครองหมู่บ้านสาลวัติกาไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระโคโดมพระผู้มีพระภาคตร ถ, ถามต่อไปว่าโลหิตจผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลหิตจพรามปกครองหมู่บ้านสาลวัติกาก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในหมู่บ้านสาลวัติกาแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้จะชื่อว่า ทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่อาศัยท่านเลี้ยงชีพใช่หรือไม่เขาทูลตอบว่าชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรถามต่อไปว่าเมื่อทำความเดือดร้อนให้จะชื่อว่าวางประโยชน์หรือไม่หวางประโยชน์ต่อคนเหล่านั้นเขาทูลตอบว่าชื่อว่าไม่หวางประโยชน์ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรถามต่อไปว่า ผู้ไม่หวังประโยชน์จะชื่อว่ามีเมตตาจิต ic หร <BROWN. S 2> ือชื่อว่าคิดเป็นศัตรูกับคนเหล่านั้นเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าคิดเป็นศัตรูท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคกระถามต่อไปว่าเมื่อคิดเป็นศัตรูจะชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิหรือสัมมาทิฐิเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดเดรฉานพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าโลหิตะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าประเป็นที่โคศนทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโกศนไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตร ถ, ถามต่อไปว่าโลหิตะ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 เพื่อบังเกิดในภพอันเป็นทิพยิ่งขึ้นไปเมื่อทำความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่ามไม่หวังประโยชน์ provision. ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฐิผู้เป็นมิจฉาทิฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดเดริชานโลหิจคนที่กล่าวว่า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 ศาสดาที่สมควรถูกทักท้วงสามประเภทโลหิตจะศาสดาสามประเภทต่อไปนี้สมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาเห็นปานนั้นก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษศาสดาสามประเภทเป็นเช่นไรคือ 1. โลหิตจะศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณนะ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 เราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้นี้คือาศาสดาประเภทที่หนึ่งซึ่งสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงาศาสดาประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษ 2. ยังมีอีกโลหิตจาศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิต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 เราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคําสอนใดจะช่วยผู้สอนได้นี่คือศาสดาประเภทที่สองซึ่งสมควรถูกทักทวงทั้งการทักทวงของผู้ทักทวงศาสดาประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษ 3. ยังมีอีกโลหิจะศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบนรรพชิต ได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะครั้บนบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะแล้วก็แสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้มีเพื่อประโยชน์และเพื่อความสุขแก่พวกท่านแต่สาวกของเขากลับไม่ตั้งใจฟังไม่ตั้งใจเพื่อจะรู้และยังหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนเขาสมควรถูกทักท้วงว่าท่านออกจากเรือนไปบวชเป็นบ ร, รพชิตได้บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งความเป็นสมณะ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 เพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้นี้คือาศาสดาประเภทที่สามซึ่งสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงาศาสดาประเภทนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษโลหิตจะศาสดาสามประเภทเหล่านี้แหลสมควรถูกทักท้วงทั้งการทักท้วงของผู้ทักท้วงาศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าจริงแท้เป็นธรรมไม่มีโทษ ศาสดา ท, ที่ไม่สมควรถูกทักท้วงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้โลหิตจพรามณ์ทูลถามว่าท่านพระโคดมศาสดา ซ, ซึ่งไม่สมควรถูกทักท้วงมีบ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโลหิตจศาสดาซึ่งไม่สมควรถูกทักท้กทวงมีอยู่เขาทูลถามว่าศาสดาประเภทนี้เป็นเช่นไรท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า โลหิตจะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบและถึงพึงนำข้อความเต็มในสามัญญผ ล, ลสูตรมาใส่ไว้ในที่นี้ภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลและถึงบรรลุปฐมฌานอยู่โลหิตจะศาสดาที่สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเห็นปานนี้ไม่สมควรถูกทักทวง การทักท้วงของผู้ทักท้วงาศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นธรรมมีโทษละถึงบรรลุทุติยชานอยู่บรรลุตติยชานอยู่บรรลุจตุ ท, ทชานอยู่โลหิตจะาศาสดาที่สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเห็นปานนี้ไม่สมควรถูกทักท้วงการทักท้วงของผู้ทักท้วงาศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าไม่จริงไม่แท้ ไม่เป็นธรรมมีโทษละถึงน้อมจิตไปเพื่อยานทัศนะโลหิตจะศาสดาที่สาวกได้บรรลุ ค, คุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเห็นปานนี้ไม่สมควรถูกทักท้วงการทักท้วงของผู้ทักท้วงศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นธรรมมีโทษละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปโลหิตจะ ศาสดาที่สาวกได้บรรลุคุณวิเศษอันยอดเยี่ยมเห็นปานนี้ไม่สมควรถูกทักทวงการทักทวงของผู้ทักทวงศาสดาเห็นปานนี้ก็จัดว่าไม่จริงไม่แท้ไม่เป็นธรรมมีโทษ โลหิจพราม์ประกาศตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้โลหิจพราหม์ด้กราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมข้าพระองค์กำลังจะตกเหวคืนนรกแต่ท่านพระโคโดมช่วยชุดให้กลับขึ้นมายืนอยู่บนที่มัน่นเปรียบเหมือนคนผู้หนึ่งคว้าผมของอีกคนหนึ่งซึ่งกำลังจะตกเหวแล้วชุดให้กลับขึ้นมายืนอยู่บนที่มัน่น ข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่า ง, า ง, างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้